m p สแผ่นที่16ที่จะออกตามลำดับไปมีคติธรรมหัวข้อว่าสินสมาธิปัญญาคือทรัพยากรอันรำค่าถ้าว่าคนไม่มีสินคุ้มครองจิตใจไม่เป็นสมาธิจิตใจปุงฟุ้งร่านและคนไม่มีปัญญาทั้งคดีโลกและคดีธรรม จะนับว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีทรัพยากรไม่ได้เพราะนั้นคนที่จะมีทรัพยากรนั้นรับค่าได้ต้องมีสินคุ้มครองสมาธิจิตใจมั่นคงปัญญารอบรู้ในกองสังขารหรือในเรื่องต่างๆทั้งคดีโลกและคดีธรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่าน พุทธมามะกะพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่คือศีลสมาธิปัญญาแต่สําหรับศรัทธาญาติโยมทานศีลภาวนาท่านจะเน้นอยากไปในทานศีลภาวนาแต่พระสงฆ์เน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะพระสงฆ์ที่อยู่ด้านในหรือว่าข้างในหรือว่าเข้ามาส่วนลึกเสียสละทง้งทางโลกแล้ว ควรจะเป็นผู้หนักแน่นในสินของตนเองและจากนั้นก็มุ่งมั่นสู่สมาธิจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาถ้าจะว่าไปแล้วในหลักของพระพุทธศาสนามีดีกับมีชั่วมีกายกับใจมีเหตุกับผลก็ไม่หนีจากหลักตัวนี้มีบุญกับบาปนี่แหละ ขอให้พวกเราทั้งหลายสังเกตดูดธรรมะเอ็สที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แผ่นหนึ่งถึงแผ่นสิบหเนี่ยโดยมากจะพูดกายกับใจดีกับชั่วบาปบุญสิ่งควรทําสิ่งไม่ควรทําสิ่งควรคิดสิ่งไม่ควรคิดสิ่งควรพูดสิ่งไม่ควรพูดโดยมากจะเน้นหนักในจุดนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่ได้ฟัง mp3 สแผ่นที่16กนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังกรันกรองด้วยเหตุและผลเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ได้ยินได้ฟังเ p 3สแผ่นนี้ที่ตั้งชื่อว่าสินสมาธิปัญญาถ้าว่าคนไม่มีสินพระไม่มีสินก็เหมือนไม่มี เสื้อผ้าอาพรคุมร่างกายของตอนเองเป็นผู้เปื่อยกายไปนักสถานที่ใดเปื่อยกายพวกเราก็คงจะดูไม่ได้เพราะเป็นผู้ไม่มีสินสินนี่คืออาพรสินคือคุ้มครองคุ้มกันเหมือนกับเสื้อผ้าไปนักสถานที่ใดเป็นที่สบายตาแก่ผู้ได้พบเห็นไปที่ไหนเป็นที่ยอมรับของคู่คนสมาธิจิตใจมั่นคง ไม่ปุงฟงซ่านเข้าไปพูดคุยกับสนทนาปารบกับผู้ใดผู้นั้นเขาก็มั่นใจว่าท่านองค์นี้เป็นผู้จิตใจมั่นคงพูดตามหลักเหตุและผลเป็นที่น่าเชื่อถือคนที่มีสมาธิไปพูดกับใครก็เป็นที่ยอมรับและคนที่มีปัญญาคนที่จะรู้ได้คนจะรู้ว่าผู้มีปัญญา หรือไม่มีปัญญาต้องรู้ได้ด้วยการสนทนาสนทนาปารบถ้าว่าผู้ที่สนทนาปารบออกมาแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รอบคอบผู้มีปัญญาด้วยการสนทนาเราจะไม่รู้ได้ด้วยอย่างอื่นถ้าเราได้พูดในสนทนาแล้วเราจรึงจะรู้ได้เพราะนั้น ทั้งสามอย่างศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าสำหรับพวกเราพุทธบริษัทเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้ยินได้ฟังได้ฟัง m อ3สแผ่นที่16นี่แล้วก็ขอให้ตั้งตั้งใจฟังด้วยดีจากนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติที่ได้ศึกษาแล้วก็จะเกิดประโยชน์สาหรับ พวกตัวของท่านเองในเอ3มพสาแผ่นนี้ก็คงจะไม่ปารบอะไรมากด้วยอำนาจคุณพระสีรัตน์ไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทิน